เพศใดเพศนี้เป็นเพศที่หนึ่งมีหาทางผู้ออกจากผุกและเพศนี้ไม่คิดเพศไหนจะคิดนี่คิดไม่คิดไม่ก้านนำถึงนี้ออกมาผู้ต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาชนเป็นต้นเราคิดนะครับก็ไม่ผิดด้วย เราแน่ว่าไม่แน่ใจมาไม่กิดนะครัก็เราพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทําให้คนอื่นค้านได้เราต้องค้านเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนไมันต้องเป็นไปตามเหตุผลมาถูกก็ถูกเลยถ้าความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลส พาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูกส่วนมากมีแต่เจ้าของว่าถู ก, ก, ถกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีกิาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเติร์นอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันนยายเดียวกิเลสตัวนายจะไม่เห็นแก่ตัวมีเหลือเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นก็คือตัวกิเลสนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัว เมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทํำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแจ่ตัวแล้วจะความเห็นแจ่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้อย่างไรเหตุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี้มันปิดอออืกแสดงออกเป็นความเห็นแจ่ตัวเลยมอ ง, งเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้นะีไม่มีหัวใจคนด้วยการก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอก แต่จากเราเราเป็นคนพิเศษไปกลายเป็นภาพกลายเป็นภาพพิเศษไปเพราะเยลเลดตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแก่ตัวควรเห็นแก่ตัวม่านเพรมันที่มันแสดงออกไปก็คือความเห็นแก่ตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นไว้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอืมเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มอง ถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปให้มองนังแต่ข้างนอกไม่ให้มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไงผิดถูกทั้งทั้งที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูนี่ถ้าเป็นเรื่องธทมแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นว่าเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลรุนๆอ้างฟาดลงไปจีดถ้ามันบริสุทธ ต้นลงกิจลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความเห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้นที่สอนแสดงมาทุกอักัระคริยาให้มันเป็นการกระทบกระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดกระเทือนไปหมดเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องกิเลส ภากาพิจารณาด้วยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือทำยังไม่เหนือไม่เห็นมันมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุขขุมมากกิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็ ค, คือกิเลสนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่ดีทางนั้นสู้เจ้าของไม่ได้ ผลที่สตรแม่ตะครูบาจารย์มันยังจะมีแง่ของมันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องขานว่าอไงยิ่เรศมันเป็นค่าศึกจับทุกสิ่งทุกอย่างไปขึ้นชื่อว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องมันถือเป็นค่าศึกทั้งนั้นเนี่ยมันดึ ง, งลำบากผู้ปฏิบัติธรรมนีมโ่โยกโลสัจขึ้นมา ทรงอนุญาตสิ่งใดมีเหตุผลพร้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วควรจะออกช่องไหนที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้น <c oughs> ไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ทรงอนุญาต ด, ด้วยถ้าเป็นทางเสีย นี่แหะซาสดามีเรามีเขาที่ไหนมีแต่ทาล้วนล้วนในพระทยของท่านกว่าเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเคยรู้ขิตประเภทนั้นเป็นยังไงเราเคยเห็นการคุกข์เค้าคนอยูกับสิ่งที่สพกโปรกโสง ม, มเป็นมูดเป็นคู่เต็มอยู่หัวใจนี่มูดคู่ได้แก่อะไรเฮ้อถ้าไม่ใช่ได้เกี่ยกิเลสจะได้แก่อะไรนี่แล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ไมื่ต้องคุกคราวกันนี้พอพอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวกิเลสอยู่แล้วเราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่พอใจมันได้งไงเพราะเราไม่ฉล า, าดเหนือกิเลสนี่ถ้าเรามีความฉล า, าดเหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีทันทียังได้กล่าวเสมอว่าทํากิจให้ทุกตัวให้บริสุทธิ์ปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวร้อยเล็ ร้ยเลี่ยมร้อยสันพัน์ใหม่พันขมออนให้หมดจา ก, กจิตใจสิมันอยู่ในจใิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่สแสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเราเยียบย่ําทําลายหัวใจข้างเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่ม <c oughs> ีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของเรได้ <c oughs> เพราะมันอยู่มันเหมือนกันนี่การออกสแสดงออกมาจะไม่รู้ได้อย่างไร ต้องรู้ได้อย่างชัดชาติเเนื้อมาแล้วต้องรู้ถ้าไม่เหนือไม่รู้มีกรรารที่พระพุทธเจ้าทรงรวมผ่อนผันทรงคล้าโลกสรงสายกว่าเห็นว่าโล ก, กคือคนมีหัวใจใจาตมีหัวใจ ที่ยุคนสงฆ์พ่อได้ขนาดได้ก็สงเ์พไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเขตเป็นเครื่องบังคับบัญชาคำว่าบังคับบัญชาก็คือบงับงคับบัญชาความชั่วที่มันมีอยู่ในนั้นแหละที่มันจะแสดงออกหารายได้ของมันมาเพิ่มเข้าภายใน ความคิดภายในการพูดาการกระทําการแสดงออกทั้งหลายอืมหาไรายได้กิเลสมันหาไรายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักธรรมในวินัยบังคับเข้าไปคือบังคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรไม่กิเลสเหล่านี้อยู่กับเราเนี่ยตั้งเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความละเอียดละอ่ ไม่มากแต่ว่าอยู่อยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหนูคนมาเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มวัตถิกำลังความสามารถไม่เพียงมามาสอนแบบเปล่าๆสอนเฉยๆรับหมู่เพื่อนมาก็วัดรายใดก็ตามเรารับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนเพื่อความเห็นใจซึ่งกันตันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการสอนหาครูห้าอาจารห้าห้าธรรม เป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกับเราที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นแหละออกเทียบหมู่เพื่อจึงต้องถูไถยกันไปหนักบ้างเ บ, า, ง บ, า, งบ า, าบ้างแบกหามือนไปอย่างนั้นาการสั่งสอนทุกแ ง, ง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนานไหนตีกิเลสของพระทั้งนั้นไม่ใช่ตีพระนี่ถ้ามหาความงามมหาความดีมหาธรรมตีอะไร ไอ้เกลเอที่มันทำลายท่าเราสิบกพ่องตรงไห น, นมันต่อยเอาต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่สแสดงออกทางทำพูดคำจากิริยาอาการของกายที่ไหลออกมาออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นยี่เหล็กมันจะเป็นอะไร มันสั่งอยู่แลวนั่นมันเคยเป็นนิ ส, สัยสนดานมันแสดงออกมาจากอ น, นั้นไป่อีกไปตรงนั้นเหมือนถูกยึดเหล็กตรงนั้นพูดตั้งใจหาธรรมก็รู้ช่องผิดอ่าก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแกร่ขายกันไปโดยมครับมันมนมวลไปไหนเราก็ กุณเหตุกุณผลให้ฟังเพราะเราราักเราสมวนพระผู้มวัดนุ่งทําถ้าไม่มได้รักไม่ได้สมวนอะไรเจร้าตัวประจัยไตรฐานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเล็กน้อยแต่วันหนึ่งคืนอพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อกา ร, รบรรลุธรรมะทำในความสะดวกเพราะนั้นจึงว่าอาศัยอาศั ย, น, ศยนี่ใช้สีฟังนี่มันบอกไว้แล้วตั้งแต่วันบวช สิงอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนถับแปรตามน่นก็อยูเครื่องอุดหนุนเครื่องสิบต่อกันไปทํ า, าทเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกันอันสำคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการบาเพ็ญเพื่อทําเหล่านี้นั่นทำไมฉลาดถึงนั้นก็ มาอย่าย่าทำลายเพราะตัวที่จะพาให้เพื่อนหมายพาให้เป็นไปพาให้ขนขวายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของยิ่งเล่เนียมันจะเรื่องของธรรมถ้าทําแล้วไม่ติดอติดอะไรทำสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทางนั้นติดอะไรยิเล่มันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดยปกติยูมันก็ติดแสดงออกมันก็ติดพิยาการทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งนั้นถ้าเป็นของกิเลสผิดอีกด้วยติดด้วยผิดด้วยนะจึงต้องใช้ความตินิ้พิจรารณาความตามสบายสบายอันใดก็ตามให้พึงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมันฝังนิสัยทันดานนี่ลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กับกิเลสฝืนกับกิเลสตลอด นี่เรียนยาฝืนกันอยา่างต่อสู้กันนาเนี่ยกากระบาดทลายต่อสู้กันไปโดยลําดับลำดนบได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ําก็หาความสบายที่ไหนฟังี้อันนี้เราขึ้นเวทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจต่อพิษปฏิบัติตอัดทำั่นละตอ น, นออกมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพศนักโล มันจะหาความสะดวกสบายไต่ตามกิเแลแเราก็ไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันปล่อยให้กิเลมันถูถไปถลอกปอกเปิกแขนขาขาดกระตุยกระจายไปหรือเทไลไฟอ่อนมันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกไปหมดทั้งร่างจะวางไง <c oughs> การฝืนเพื่อ ก, การฉุดการลกตัวออกมา ให้พ้นภัยต่างหากพราะฉะนั้นจึงต้องฝืนการการตาอความเพียรการรักษาสติตั้งตั้งสติให้ดีพิจิพินาทางด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่ท่าปลดเปลื้องกิยาของการปดเปลื้องกิยาการต่อสู้ก็ยอมรับก็มาทุกแต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือถังนั่นคือความสบายไปดูลําดับเป็นแต่ขัน้ตนต่อสู้ เนื่องความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากยิ่งเละเป็นเจ้าเรือนมันก็นยังต้องลําบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละครั้งนะครับในขั้นเรื่อแรกของการฝึกจิตใจมันต้องลําบากยิ่งเละมันอยู่เป็นสุขไม่ได้อมืมันต้องดิ้นของมัน แล้วมันอยู่ในจิตจะให้จิตดิ้นยังไงแล้วจิตมีอะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกัน ต, ตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางาตาตาหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสสัมผัสข้างนอกรูปเสียงกับรถเครื่องสัมผัสพัวพันกันเรื่อยๆมันดิ้นอยู่อย่างงั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรที่คือความรู้ความร้อนการต่อสู้เพยยื่อจ้า ให้ดใชด้ชนะให้ด้อยู่ความสงบทำถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นอืมความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือธรรมต่อสู้ความฟุ้งซ่านบุญวาได้มากน้อยเพราะเป็นความสงบลงโดยลําดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมโดยลำดับนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้แต่นั้นก็ ขยับขยายงานออกไปไลต่ตีต้นกิเลสแล้เข้ามาจุ ด, ดวรวมคือจิตสงบกิเลสมันก็สงบตัวไม่ใช่กิเลสตายนะหนึ่งขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้อนเข้ามาด้วยการต่อสู้กันแต่นั้นก็คลี่คลายมายี่ตัวไหน มันเก่นไปทางไหนทางไห น, ท, ไหนที่นี้ปัญญาล้ตามกันคลี่คลายออไปอา้าวมันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เห็นว่ารับตันหาเป็นต้นมันติดอะไรอันนั้นคืออะไรเนี่ยแยกแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันติดอะไรมันไป ร, รับผิดชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นทักเกนดเจนย้อนเข้ามา ามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมันก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาแล้วเีกอนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สนับอันนั้นเมื่อสติปัญญาพอแล้ว สลับ ก, กันได้ดังนี้เป็นต้นปัญญาเกียเรื่องส่วนหยาบได้แก่กายราคาตัญหารส่วนหยาบ ก, ก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเื่พิจารณาแยกเยอะให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วอจะยึดจะถือจะรักจะชอบไปไหนมันก็หายเอง นี่ะปัญญาไปตรงไหนแั้วเองขาดไปเรื่อยๆปัญญาแต่มีเต็มที่ตัดปันตรงขาดกระมั่นเนาะไปเต็มที่เป็นส่วนๆส่วนๆนีนนน่กันไหมเจะประชุมนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงแต่รักษาจะาของอยู่ก็ลำบาก บางวันดุริเฉิญนก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอเป็นรมาดระวังแต่ ก, ก่อนเขาประชุมอยู่เสมอเสมอเห็นความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันเครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันจำรถจุดสมก็ต้องอารมณ์ไปผู้เพื่อนมาพึ่งพ า, าอาศัยก็ก็ทราบทําไมไม่ทราบเพราะเคยอยู่กับหมู้เพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมา สู่สังคมนีมันก็เริ่มเกือบสามสิบปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบเพยอารมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาม า, มากมากอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันทานุดชุดมโศมก็จำเป็นต้องได้พักผ่อนแม้แต่งานภาย น, นอกก็ไม่เอาหากไม่จำเป็นจริงๆและสุขภาพไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปให้ เพราะฉะนั้นหนูเพื่อนที่มาอบรงศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของกิเลนนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั้นแหละอขอจะ จ, ะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อ ย, อยโดยมารู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียรบังคับจิตใจฝืนกันอย่างนี้เพราะไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข นอนจม อ, อยู่กับมันเป็นกลับเป็นกันไปดีกว่าแม้แต่มันจะเอาขึ้นเฉียงไหนถ้าสับจะฟันลงไปก็ เ, เป็นหน้าที่ของมัน น, น, นั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกนันนี้แม้วุริเจ้าสสเสด็จออกทรงผนวดก็เพื่อความสุขแต่เห็นว่าทีนี้ ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้นจึงต้องสอดแสวงหาสิ่งที่จริงที่จงไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเพื่อแฝงเช่นธรรมจึต้องสอดแสวงหาธรรมทาไมใช้สติปัญญาให้มากมากไม่ทันมานาันนะกิเลสนะแม้จิตเพียงขิดสงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้ เราปราศจากความตั้งใจความจดจอ่อด้วยสติสตังแล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนแข็งปังอยู่งั้นตลอดจ่ว่านย่งยิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งถ้าเราแข็งนะมันก็เริ่มอ่อนลงมีหลักใหญ่มีตรงนี้พากันพิเจรณาะให้ดี ขั้นเนิ่มต้นนี่ขั้นถูถไถ่มยร่ำุคคลานนี่แหละมันส่วนมากไปไม่พอดจอดจุกลางมหาส ม, มุทรมหานิยมไปเสียโลกเขานิยมมาอะไรดีก็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังอนักปรชัชอาบริสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อ มันทำเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่วันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอยู่นั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนเนี่ให้ฝืนทำแล้วจะเจอความสุขตามปราท่านแสดงไว้ได้อย่างไงเพราะท่านท่านทําอย่างนั้น ท่านถึงได้รู้อย่างนั้นถึงได้พูดอย่างนั้นถ้าไม่ทําแบบเรารู้แบบเรารู้แบบเราก็รู้แบบท่านมันผิดกานสุขแบบเราก็สุขของท่านมันผิดกานสุขแบบเราน่ยมันอยู่ปลายเบ็ดนั่นแนะ่ะความสุขของเราน่ยความสุขอยู่ปลายเบด็ดว่าอย่างไงเหยื่อรอบปลาหองงับเหยื่อเข้าไปเบ็ดก็ติดพร้อมกันเลยนี่ งาไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมมีขึ้นชิวโลกาเมตเป็นเครื่องเครือบแฝงของจิเหล่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระวังกันอุปฏิบัตเ ท, ท่านั้นจะระวังได้กำลังบางช้างเราเคยทุ่มเทนในงานอื่นๆเราทุ่มมาพอแล้ว ความคิดความปรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้กนหน่าจะเอามาพินิตพิจารณาแยกแยะเทียบเทียงกันให้พอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเชื้อได้อะไรหนึ่งความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเขียงของกิเลสทั้งนั้นแหะ จะให้นอกออกนอกออกจากเขียงนี่มันไม่อยากไปถูกกลอมอยู่นั่นเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่จะถูดล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้ผู้ใบแนะนําสั่งสอนสอหาอุบายพลิกถ้าจิตอ่อนแอนและพลิกหาอุบายใหม่หาอุบายใหม่งั่นนะการปฏิบัติตัวเอง จะเห็นว่าวันนี้ได้ผลนี่วันวานได้ผลนี้แล้วจะ อ, อุบายนั้นมาใช้ทั้งๆที่มันจุดจุดชืดชดไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะฟิตตัวให้ขึงขังตึงตังในเวลานั้นต้องทิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันคนมายาที่เหลแล้ะก็ไม่สงบอุบายปัญญาละ่ะสำคัญ มันเคยทํามาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่ายๆใจสงกพออยู่ได้มนุษย์เราพระเราถ้าไม่สมุบเลยนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม่ที่สุดเห็นครูบาอาจารย์ก็ หมดความเคารพเรื่องสายเฉยชาไปหมดนะเห็นไหมละ่ะพอมีอะไรขึ้นภายในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยัง้งพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่เพื่อ น, เ, น, หนเห็นครูอาจารย์เป็นที่เคารพเรื่สายขึ้นไปโดยลำดับหนดับของทางจิตละเอียดเท่าไหร่ ความเคารพความเชื่อถือกุศลาายิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนัหนนะ่แม่ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพานไปอีพระองค์และนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยนะถ้าให้มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบราบมีแต่คิดแตทั้งนั้นฝืนไม่ทราบกันไว้พยายามทำให้มันสงบ บังคับอืเใื่มีความสงบได้แล้วก็ให้ทางพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐาน เ, น, เนเป็นเป็นบาตเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นกันนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่ม จะผิดกันไปโดยลำดับความดูดดืม่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ความดูดืด่ทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแปกกันไปเร ด, ด้วยเพราะปัญญานี้งก้าวออกไปเรื่อกกว้างขวางไปเรื่อยชำนิชำนานไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยๆจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชัดๆว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นวักเป็นตอนขาดไปโดยลําดับดับรู้รู้ นี่ที่นี่เมื่อกิจได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นกิจที่มีคุณค่าโดยลำบับแล้วทําไมจะไม่ขยับทําไมจะไม่มีแก่ใจคนเราต้องมีกระจความขายันหมั่นเพียรเป็นมาเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลําบากลําบนแต่ก่อนไม่มีแล้วทีนี่มีแต่ความหมุนตัวติวต้วอติว้วเรื่อยคาคิดพินิพิจารณาเพื่อแก้เพื่อถอดถอนที่เลื สิ่งที่ได้แล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องไว้อบไว้ใจเป็ที่อบอุ่นในใจมันไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยตามส่วน่งความมีของมันดังนั้นันก็หมุนไปเลยเอาจกนกระทั่งถึงได้ล้างเอาไว้หนึ่งขณะถึงขั้นทนํำมีอำนาจมากกว่าที่เหล็กล้างเอาไว้ พิเรยที่เคยเพ่นพ่านหมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมดใครจะฉลาดยิ่งกว่าีิเรยก็ต้องหมอบแล้วสิถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุ้ยเฉียขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนกําลังแห่งความเพียรเป็นอัตโนมัติ สติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความอุตสาห์พยายามกลายเป็นอัตโนมัติปะการกันหมดเลยไม่เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นํามาใช้นะคำว่าอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่คุณได้เก็บฝืนฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตส า, าห์เธออุตสาห์ถึงนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทอืะฉันทาวิริยะนี่วิ่งตามกัน อ, อืความพอใจพอใจ พอใจนี่ก่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีกําลังมากเข้าไปโดยลำตัวแล้วจะรัางได้อจะจะจะมานอนตายอยู่ได้ยังไงเมื่อเป็นนั้นทําให้พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟที่เคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟืนจากไฟแก้ฟืนแก้ไฟก๋วเดะเป็นตัวไฟ ราคตินาโพสักคินาโมกคินาเป็นไฟทั้งนั้นเป็นน้ำดับไฟทั้งนี้สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนกลายเป็นน้ำดับไฟดับลงไปดับลงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจากดับจงให้มันมอดไม่มีเลยโล่ไปหมดนะ อ, ะอะไรที่นี้ มีมายุแย่ก่อควรที่บีบแยบแ ย, บ, ยบมีอะไรไม่มีวันที่นี่มันก็เห็นในขณะที่อ๋อมีกิเลสนี่เท่านั้นคิอควรอยู่ภายในจิตใจบีบขั้นจิตใจพออันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่ นี่แหละที่มันทำให้คิดให้ตึงให้ยึดให้ถือมัดกันอยู่ภายในใ จ, จิตใจบีบคั้นไว้ใจนี่เท่านั้นเป็นตัวไขเป็นตัวพิดพอ น, นี้หมดไปแล้วเห็นมีอะไรเป็นตัวผิษไม่มีหมดการประกอบความเปลี่ย น, น ทำนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนทำนี้เหมือนกับจมมรแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นเพนั้นจึงต้องเปิดออกเปิดออกด้วยความเพียรเปิดดอกออ ก, ออกด้วยอุบายวิธีทั้งต้นที่เคยเป็นฟุตบอลให้จิตมัน กิเลสมันตเตะตันี้เะ น, นี้มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วอาปัญญาพิจนารณาลงไปข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามติดตรงไหนสัมผัสสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งใดเอานั้นมาพิจารณาเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเอง ลมปัญญาได้เข้าถึงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ปล่อยทั้งนั้นไม่ยืดเฮเดอตั้งแต่ทำยังไม่ยืดปะเห็นอย่างความบริสุทธิ์ท่านยืดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์ได้ท่านเอาอะไรไปยืดท่านไปยืดอะไรเรื่องยืดเป็นเรื่องที่เหล็กต่างหาทําไม่ยืดรู้ตามเป็นจริงนักต่างอันต่างกินเท่านั้นอจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสูจน์ก็ว่ากันไปอย่งนั้นแหละโลกมันี้สมมุติก็ว่าไปท่านว่าท่านก็ไม่ติด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 ไปน่ะละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมุติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดมถึงจะสบายละทีนี้ความเพียรที่เคยจะเกียตรติการมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายล่็มาแสดงคุณค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลการทำที่ได้ตรากดอยู่กับใจนั่นแหละนี่แล้วคุ้มค่า ล้นค่าด้วยอทำไมทําอย่างนั้นไม่เกียรติการอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละจิตวิจิตใจเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทําอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจเห็นพิจารณาย้อนหลังไปไหนหเห็นตั้งเรื่องกิเลสมัดคอหนินั่งมันก็มัดนอนอยู่มันก็มัดขบชันนมันก็มัดกิเยสท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อืม ร่ำ ล, ลุกคู่ครเ น, นี่ยพี่มันทุเล็กนะวางยิ่งยังผููเป็นหัวหน้าไปแล้วบางทีทําให้หนักใจนะทําให้เกิดความระอายใจเหมือนกันเองยังไงกั น, นซ้อนสอนจริงๆที่เด็ดอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นไตช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่ออย่างนั้นสิยังไม่ต่อยอยู่นะ มองไปไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของกิเล์มันอรัสอาเปรียบหัวใจอยู่ตลอดกิริยาการแสดงออกมานั้นเป็นกิริยาของกิเลยให้เปรียบเราอยู่สมอเราไม่รอบมันมิเต็มมันมาดเราอยู่เรื่อยๆอันนี้สิมันทำให้เกิดความท้อใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะสมมุติเอามาเอาสมมติมารับสมมตินี จะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจงั้นล ะ, ะเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความละเอียดของกิเลือเราจะ อ, าอะไรไปรู้แนะน่ยังงำยากไม่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วาพากันตั้งใจเอาจริงเอาจั ง, อ, จงอย่าหวังอะไรในโลกนี้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 ยึดทั้งผลทั้งท่านเทวราเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเราแล้วเป็นกําลังใจเพิ่มกำลังใจเราดิเราเอย่าอะไรมาเป็นแบบเป็นช่ำบักคนมีทิเลตเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอาทิเลตมาโปเอานี่ไปยึดเอากเข้ากับเอาทิเลตมาโปเอาโปเอาาเอาท่านผู้บริสุทธ์ มาเป็นขติตัวอย่างมายืดมาฝากเป็นฝากตายความพลาดพิงทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนดูใกลแสนไกลยนี้ รับผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อมอืมนีแล้วค่าเป็นยังั้นกิตทั้งเราค่าไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรกันหรอหมดความสามารถที่จะเอืมถึงแล้วยู่ที่หัวใจนั้นแท้แท้อืมอุบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหน แต่กิเลสเอาเราใช้อยู่ตลอดเวลาเเราเป็นเครื่องมือใช้ต่อเวลาเราไม่เห็นว่ามันไกลมันใกล้หรือกิเลสไม่เห็นคำหนึงถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนทำไมมันแบกมาสัจนหลังหักหลังจะหักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันจะสนหลัดอันนี้ออกที่งอยู่กับตัวแท้ๆสั่นลัดออกไม่ได้เลยด้วยข้อปฏิบัติทของเรา พ, พลานิพานจุดเอื้อมไปไห น, พ, นพลานิพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่เหมือนอย่งสถานที่มันโลกุลรั ง, รงอยู่ตรงไหนทาขาเอาไว้อะไรปกคลุมมันทา้ า, าสิ่งที่ปกคลุมนั้นออกอืถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเอา ท, าทาขาออกไฟเผ า, าไปความเปลี่ยนโลกไปห า, าที่ไหนมันสุดเอื้อมหรือความเปลี่ยนโลกนัะมันก็อยู่ใต้ความโลกุลงังนั้นเองพอเปิดนี้ออกแล้ว ความเปียนโล่งเขอยู่ได้นั่นเมือนกับว่ามีอยู่ตั้งกต่เมื่อไหร่มิ uit. ที่เปลี่ยนโลงก็เหมือนการแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความลบภูมิลังคือพิเลททั้งหลายไ ป, ประเภ ท, ทต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถากการถ า, างถิ่นลบภูมิลังออกจากสถานที่ที่ว่าลบภูมิลังนั่นแหละอุบายวิธีการแห่งความเปลี่ยนทุกประเภทเป็นอุบายถากถาง เพื่กิจจะได้เตียนลงไปเตียนลงไปจนกระทั่งเตียนลงเต็มที่สูดเอื่อมที่ไหนจริงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี้ให้เสียเว ล, เวลาถูกหลอกถูกต้มอย่านี่เมันลากออกจากของจริงความจริงของกสุต์ที่มีใ น, ในใจของเราไปอยู่ที่นู่นมันไปอยู่ที่นี่บ้าง ม, มันหลอกกันหมดเขตุหมดสมัยบ้าง มโหฬิพาน์หมดเขตหมดสมัยหมดสําหรับโมค้าบุรุษไม่มีความสามารถมันหมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าสมัยนู้นสมัยนี้เลยปัจจุบันก็หมดถ้าเจ้าของไม่ลื้อฟื้นเจ้าของใครจะมาลื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะอย่างนี้เลยมันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล่าสมัย ทำทีจะมาแก้ที่เด็ดมันก็อยู่ด้วยกันทําไมจะล้าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล้าสมัยจะเองนี่เอาลงตรงนี้คิดอุบวิธีเรียกแก้ที่เด็ดพลิกแพงต่อสู้ที่เด็ดมันต้องใช้ร้อยสันพันคมเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ทันกันนี่เฮ้ยเป็นมาแล้วความเชื่อควานิยมสายศานาเนี่ยเชื่อพอได้อ่านอัดรำก็เชื่อลงไปดำๆ ผลทุดท้ายเวลาจะปฏิบัตินันก็ยังต้องสงสัยต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบไหว้ถวายตัวเป็นศิษย์ทังท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่เลยพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแล้ว ม, มันถึงใจจุใจ ทีเราคิดไว้ทั้งหมดมันมันจิตต้องท่านเป็นเหมือนเรดาร์จับเอาไวาหมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่หนะนี่ไหน น, นสงสัยไปในมรรคผลนินพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย่ำลงย่ำลงมันก็หมดแล้วที่สงสัยความสงสัย<ม>การได้ยินในฟัง จากผู้รู้จริงเห็นจริงมีกำลังมากนะคิดกับที่พูดแบบน่นดาดาๆเกาหมัดเป็นไหนไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากมเหมือนรถมาเนี่ยนี่ เสียาีอ่านธรปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนทมอเตอร์ไซค์ทำ